ทุกคนนะที่เอารอยทองร้อยเนี่ยปรวนปรารถนาชีวิตที่ผาสุขที่ถามว่าผาสุขนะหมายความว่าอย่างไรนะส่วนใหญ่ก็หมายถึงการมีสุขภาพดีนะมีความสุขแล้วก็มีอายุยืนแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ปรารถนามากกว่า น, นั้นนะโดยเฉพาะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยคือ น, นอกจากต้องการความสุขการมีสุขภาพดีการมีอายุยืนยาวแล้วก็ยังอยากร่ํารวย อยมีชื่อเสียงซึ่งก็รวมถึงการอยากมีความสําเร็จความสําเร็จในการงานนี่มันก็ถือว่านํามาซึ่งความร่ํารวยเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาด้วยกันนะความร่ํารวยความมั่งมีความา ม, วา ม, มีชื่อเสียงเด่นดังแล้วก็ความสําเร็จ แต่ว่าไอ้อย่างเนี่ยนะความร่ำรวยมีชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยกับความมีความสุขมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนี่บางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะหมายความว่าเนี่ยร่ำรวยมีชื่อเสียงมีความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมีความสุขมีสุขภาพดี แล้วก็มีอยุยยาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีการพูดถึงนะงานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยนะซึ่งเขาศึกษาชื่อของผู้คนอย่างต่อนเนื่องยาวนานนะาปีเป็นการศึกษาวิจัยที่ประเทศอเมริกาโดยหมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ด ในการศึกษาวิจัยคนอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง75ปีนี่มันก็ไม่ค่อยมีนะหรือไม่มีเลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามไม่มีคนที่จะสนใจศึกษายาวนานอย่างนั้นหรือถึงสนใจนะก็อาจจะร่มหายตายจากไป ก็ไม่มีคนสืบต่ออาจะว่างานศึกษาวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีคนสืบต่ออย่างต่อเนื่องนะเริ่มมาตั้งแต่ปีสองพแล้วก็มีคนสืบนะศึกษาต่อเนื่องเนี่ยมา4รุ่นแล้วประกอบกับคนที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี่มันก็ก็ร่วมตลอดนะ มันก็ยากนะที่จะมีงานศึกษาวิจัยที่คนที่เข้าร่วมในการจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายในการศึกษาเนี่ยร่วมมือมาตลอดไอ้ที่หลอมหายตายจามก็มีนะแต่ที่มีชีวิตยอยู่ก็ก็ร่วมโครงการนี้จนบางคนจนทุกวันนี้คนที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ย ก็กก้าสิบกว่าก็เป็นแล้วตอนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยนี่มีคนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเกือบแ0ดคนพอผ่านมา75ปีก็เหลือแค่90กว่าค น, นที่เหลือนี่ไม่ได้ถอนตัวนะแต่ว่าล้มหายตายจากไปเพราะนั่เนเป็นการศึกษาที่มันทำให้เห็นความจริงของชีวิตนะ ของคู่คนในโลกปัจจุบันได้การศึกษานี่มันก็เราก็ทําอย่างเข้มงวด น, นะทำอย่าเป็นระบบโดยเลือกกลุ่มคน2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นนักศึกษาของฮาร์วาร์ดอายุปรนะมาณตอนที่ตอนยุ่เริ่มต้นกับสิบเกปีนะักศึกษาฮาร์วาร์ดเนี่ย สมัยนั้นเนี่ยมันก็รุวนแต่เป็นคนที่มีฐานะดีมีความรู้ครนะอบครัวก็ประสบความสำเร็จมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีสถานภาพแล้วก็มีชีวิตที่สะดวกสบายอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกมาจากคนในชุมชนที่ยากจนนะ แถวบสตันก็ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็เลือกเลยนะเอาคนที่อยู่ในครอบครัวที่อยากจนพ่อแม่มีปัญหาบางทีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีการศึกษาก็ไม่ค่อยสูงเรียกว่าคนละขั้วเลยนะกับกลุ่มแรกเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาฮาร์วาร์ด ก็ติดตามชื่อคนเหล่านี้เรื่อยมานะระหว่างนั้นก็มีการสอบถามไปสอบถามเนี่ยถึงตัวเลยไปพูดคุยไปสัมภาษณ์แล้วก็บางช่วงก็มีการส่งแบบสอบถามให้ช่วยกรอกหน่อยแล้วก็เขาก็ติดตามนะทั้งในเรื่องของอาชีพการงานครอบครัว สุขภาพแล้วก็ฐานะการเงินรวมทั้งอาชีพการงานก็เรียกว่าใช้ความเพียรพยายามมากนะในการติดตามศึกษาชีวิตเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเกือบแ0ดคนแล้วบางครั้งก็มีการตรวจเลือดตัวสุขภาพพอตอนหลังๆเนี่ย ก็เรามีการสแกนสมองอันนี้คงจะหลังจากผ่านมา 50-60 ปีแล้วนะเพราะสมัยตอนที่เริ่มโครงการใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีขนาดนั้นก็เรียกว่าเป็นการติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครบ75ปี ในจำนวน700อคนนี้ก็มีประมาณ90คนนะที่อยู่รอดนะมาถึงปัจจุบันซึ่งก็หมายว่าอายุเก้าสิบกว่าแล้วแล้วสิ่งที่เขาค้นพบนี่ก็คือว่าการที่คนเราเนี่ยจะมีความสุขมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวเนี่ยมาไม่อยู่ที่ความมั่งมีหรือความสำเร็จนะ หรือชื่อเสียงแต่ตัวชี้ขาดที่สำคัญเนี่ยคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับผู้คนคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีมิตรสหายที่ดีมีคู่ครองที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นคนเหล่านี้นะที่จะมีโอกาสที่จะ มีความสุขมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวตรงข้ามนะคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะขาดเพื่อนแล้วก็ไม่คบคาสมาคมกับใครขเขาบพรว่าเนี่ยเหล่านี้แม่จะมีเงินนะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงนะแต่ว่าอายุสั้นก็เป็นการค้นพบที่น่าสนใจนะ ถ้าเราถือว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุขมีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีตามภาษาชาวโลกเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับการมีมิตรมีเพื่อนมีครอบครัวที่ดีมีบ้าวงที่อบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะแม้จะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีความเด่นดังผู้ง่ายคือว่า อยู่อย่างโดดเดียเ่ยวนี่โอกาสที่จะตายเรว็วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอเมริกันจำนวนมากนะทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงคนสมัยใหม่ด้วยไม่ว่าประเทศใดนี่ก็เป็นการค้นพบประการแรกของเขานะที่มันชี้เห็นว่าเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดชีวิตที่ดีได้นะใน ความเข้าใจงคนทั่วไปแล้วกาที่2ก็ค้นพบ ว, ว่าพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการมีเพื่อนเยอะนะมันไม่ได้หมายถึงการมีเพื่อนเยอะมีคนรู้จักมากมายแต่มันหมายถึงการที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะสนิทสนมบางคนอาจจะอาจจะมีเพื่อนไม่มากนะแต่ว่ามีเพื่อนสนิท ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็รวมถึงการมีคู่ครองที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าคนอเมริกันฝรั่งเนี่ยในเรื่องการมีคู่ครองคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าส่วนใหญ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เหมือนคนในชนบทนะที่ว่า มันไม่ใช่มีแค่คู่ครองแต่วมันมีญาติมิตรมีเพื่อนฝูงในชุมชนแต่พรังนี้มันไม่มีชุมชนละไม่ค่อยมีอย่างบ้านเราหรืออย่างในชนบทบ้านเราเนี่เพราะนั่นก็เรื่องของคู่ครองที่เกื้อกูลกันก น, นี่ก็กลายเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟน้น เขาบอกว่าเนี่ยเวลาจะดูนะว่าใครจะมีอายุยืนยาวหรือไม่นี่มันก็ดูตรงนี้ได้นะอย่างเนี้ยเขาย้อนถอยกลับไปดูคนที่ร่วมโครงการเนี่ยตอนที่อายุ50ตอนที่อายุ50เนี่ยคนไหนที่บอกว่ามีความพอใจในชีวิตในความสัมพันธ์ ทั้งกับเพื่อนทั้งกับคู่ครองเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะยืนยาวอายุยืนยาวถึง90ในทางค่าเนี่ยคนที่อายุ50เนี่ยถ้าว่าเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีควา ม, มไม่มีความพอใจกับชีวิตชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเลยเนยีมีเรื่องวิบากบาหมางเป็นประจำ แล้วก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้อยู่อย่างแบบเหินห่างหมังเมินมีเพื่อนก็อยู่กันแบบห่างๆเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ว่าไม่ได้เสร็จสมหวันจริงจังเนี่ยแบบนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยีบปีเนี่ยบอกได้เลยนะว่าอาจจะเจ็บป่วยโรคร้ายหรือไม่ก็อายุไม่อายุไม่ถึงนะ ไม่ถึง 70% 80% ก็าตายแล้วเราบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระดับเลือดอยู่ที่คุณภาพของเลือดนะว่าเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงแค่ไหนอายุ50าสิบแต่คอเลสเตอรอลอาจจะไม่เกินแต่ว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยระดับวัดคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่า จะมีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพดีในอีกสามสปีข้างหน้าหรือว่า20ปีข้างหน้าก็ได้แต่ตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมาจะเป็นในกับคู่ครองหรือกับครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูงเนี่ยนี่ก็เป็นการค้นพบที่น่าสนใจนะความสัมพันธ์ เ, นเป็นตัวกำหนดว่า จะมียืนหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ระดับไขมันหรือว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดตอนที่อายุ50าสิบแล้วการที่3มัพบว่าในความสมานที่ดีเนี่ยที่อบอุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อร่างกายอย่างเดียวมันมีผลต่อสมองด้วยคนที่มีความสมานที่ดีมีเพื่อนที่สนิทมีผู้ครองที่ดีมีความสมานที่อบอุ่น แม่แก่แล้วเนี่ย 80-90 ก็สมองก็ยังดีความจำก็ยังเฉียบคมมันตรงข้ามกับคนที่ความสมางที่ไม่ค่อยดีโดดเดียวอ้างว้างเนี่ยถ้าว่าไม่ตายเนี่ยแม้จะมีชีวิตยอยู่พอมีชีวิต อ, อยู่จนถึงวัยชาราก็จะมีปัญหาเรื่องความจำนะเละเรือนอัลไซเมอร์เป็นต้น อันนี้เป็นข้อสรุปสา ร, ประการที่เราค้นพบจากการศึกษาวิจัยติดตามคนมา75ปีซึ่งสรุปก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็มีผลต่อหรือเป็นตัวกําหนดต่อการมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีนั่นก็คือชีวิตที่ดีตามภาษาชาวโลกนะคือมีสุขภาพดีมี อายุยืนยาวแล้วก็มีความสุขแล้วเขาก็เลยเสนอหน้าว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าต้องการมีชีวิตที่ดีเนี่ยนะสุขภาพดีมีความสุขเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ซึ่งก็หมายวามว่าต้องรู้จักนะให้เวลาหรือว่าใช้คำว่าลงทุนนะ ลงทุนไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจะบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉาคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะถ้าจะลงทุนก็ลงทุนเพื่อการมีเงินมีทองมีความร่ำรวยหรือลงทุนเพื่อความสำเร็จเพื่อการมีชื่อเสียงคนส่วนใหญ่ก็จะลงทุนตร ง, ง, ง, งนี้ ไปเข้าคอร์สไปเรียนอะไรต่างๆมากมายก็เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพในการงานเพื่อความมั่งมีความร่ำรวยเพื่อมีเงินทองเพื่อมีชื่อเสียงจะอานหนังสือนะหรือจะไปฟังคำบรรยายก็ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ เท้าเท้าทำไมนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายนะการลงทุนเพื่อได้มีเงินมากๆการลงทุนเพื่อได้มีชื่อเสียงไอ้พวกนี้นี่มันมันเป็นวิธีที่ให้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานซึ่งต่างจากการสร้างความสัมพันธ์ ไม่ว่ากับเพื่อนกับครอบครัวกับชุมชนพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องทาอย่างต่อเนื่องแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะคือการที่นึกถึงผู้อื่นด้วยอันนี้ตรรมาเสริมนะตรงนี้สำคัญทีเดียวนะเวลาเราทำอะไรเพื่อเงินทองเพื่อชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นการนึกถึงแต่ตัวเอง บุงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่การที่คนเราเนี่ยจะการที่คนเราจะให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวกับชุมชนเนี่ยมันต้องรู้จักนึกถึงคนอื่นการนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นเป็นโอสรสนะที่ช่วยทําให้คนเรามีความทุกข์น้อยลงแล้วก็มีความสุขได้ง่ายเพราะถ้าคนเรานี่เป็นตัวเอ ง, เองคิดแต่จะเอาคิดว่า เอาแต่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายสุขยากแต่ถ้าคนที่คิดถึงคนอื่นนึกถึงเพื่อนนึกถึงครอบครัวนึกถึงชุมชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จ ะ, ะสุขได้ง่ายมีความทุกข์ได้ยากครานี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยนะเขาเขาบอกเนี่ยชีวิตที่ดีความสมาธิดีเนี่ยก็นําไปสู่ชีวิตที่ดีเนี่ย หรือผนี่คือว่าการมีมิตรนะมิตรที่ว่าเนี่ยคือมิตรที่มีความเ e อื้อเฟื้อเกื้อกูลันซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นกระยาณมิตรเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญทีเดียวในการทําให้คนเรามีชีวิตที่ดีซึ่งในความหมายของคนที่เขาศึกษาวิจัยเนี่ยคือมีสุขภาพดีมีความสุขมีอายุยืนยาวอันนี้ทําให้นึกถึงนะคำของพระเจ้าที่ว่า กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ถ้าพรหมจรรย์เนี่ยเราหมายถึงชีวิตทางธรรมนะกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตทางธรรมเนี่ยไอาการศึกษาวิจัยนี่มันก็ชี้เห็นว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตทางโลกที่ดีถ้าอยากมีชีวิตที่ผาสุขมีสุขภาพดีมอีอายุยืนยาวเนี่ยก็ต้องรู้จัก สร้างคบหากยานนมิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนชีวิตหรือว่าเพื่อนที่สนิทรวมทั้งการมีครอบครัวหรือว่าชุมชนที่ดีมันก็ดูเหมือนพร้องเลรนะ กายามิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตพรหมจรรย์หรือชีวิตทางธรรมอันประเสริฐการศึกษ า, าวิจัยนี้ก็บอกว่าเนี่ย <c oughs> กายานมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดนะของชีวิตทางโลกอันประเสริฐแต่ว่ามันมีความต่างกันนะระหว่างชีวิตทางธรรมกับชีวิตทางโลกเนี่ย อย่างการวิจัยเนี่ยเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยโดยเพอาะความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตเนี่ยมันช่วยทำให้อายุยืนทำให้สุขภาพดีแต่มันก็มีจุดอ่อนนะตรงที่ว่าคู่ครองคู่ชีวิตเนี่ยแม้จะดีเพียงใดแม้จะประเสริฐเพียงใดนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการร่วมหายใจจาก คนที่มีวิดที่ดีมีคู่ชีวิตที่ดีนะก็จะได้เป็นคนโชคดีนะก็ทำให้มีสุขภาพมีมีอายุยืนยาวแต่พออายุ 80- 90บความจริงอย่างที่นนีไม่พ้นก็คือวามันต้องมีคนหนึ่งที่ล้มหายตายจากไปไอตอนที่มีตอนที่อยู่ด้วยกันนีก็มีความสุขดีนะอบอุ่นนะสุขภาพดี แต่พอคนหนึ่งล้มหายตายจากไปนี่มันมือก็ตกสวรรค์เลยนะสหรับคนที่ยังอยู่อันนี้ก็เห็นนะมากมายทีเดียวตอนที่อยู่ร่วมชีวิตกันมาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิปีก็มีมีความสุขมากแต่พอคนหนึ่งล้มหายตายจากไปที่เหลือนี่เสียศูนย์ไปเลยอันนี้รวมถึงการมีเพื่อนดีเลยนะ มีเพื่อนดีมีเพื่อนสนิทนะแต่ว่าพอเพื่อนเขาล้มหายตายจากไปให้คนที่ยังอยู่นี่ก็ก็เสียสูญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตที่ดีเพราะมีความสมานที่ดีเนี่ยมันก็มีความเปราะบางอยู่ในระดับหนึ่งนะมันยังดีอยู่ตราบใดที่ยังอยู่ด้วยกันไม่มีใครล้มหายตายจาก แต่าอคนใดคนหนึ่งล้มหายตายจากไปจะเป็นคู่ชีวิตจะเป็นเพื่อนสนิทก็ตามไอ้ชีวิที่ดีมันสูญสลายหายไปเลยบางคนอลส่วนใหญ่ก็เสียสูญไปเลยซึ่งง น, นี้แหละนัะที่มันไม่ประเสริฐเท่ากับชีวิตพรหมจรรย์หรือชีวิตทางธรรมเพราะชีวิตทางธรรมเนี่ยมันหมายถึงการมีอิสระ อิสระทางใจไม่ได้พึ่งพิงพึ่งพาใครเกิดจากการที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้มันมีเกิดจากความเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างก็ไม่จีรังยั่งยืนแม้กาามัลยันนมิตจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นคู่ชีวิตก็ตามก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษม ถ้าใช้ดีเนี่ยมันต้องสร้างความเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้ชีวิตระมจาจันก็คืออันนี้แหละคือทำให้คนเราเนี่ยรู้จักเป็นมิตรกับตัวเองเนะในการมีมิตรที่อยู่รอบตัวอยู่ข้างตัวก็ดีอยู่จะเป็นคู่ชีวิตจะเป็นเพื่อนสนิทหรือชุมชนญาติมิตรแต่ทั้งหมดนี้มันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยง แล้วก็เปล่าบางมันจะดีกว่าถ้าเรารู้จักเป็นมิตรกับตัวเองนะหรือว่าเป็นมิตรกับความรู้สึกตัวเป็นมิจกับสติเนะพราะแม้ว่านะเพื่อนสนิทจะล่มหายไปผู้ชีวิตจะตายจากไปนะแต่ว่าก็ยังสามารถก็ยังไม่รู้สึกเหงาเนะพราะมีใจ เ, เป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อนก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะด้วยความารู้สึกตัวที่ไม่หดหูอาจจะมีความผ่องใสอย่างที่เราสวดมงคลเราสือเมื่อสักครู่เนี่ยนะผู้ที่ฝึกตนไว้ดีแล้วเนี่ยเมื่อมีโลกธรรมมากระทบเนี่ย จิตก็ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกนะเพราะเป็นจิตที่ไรทุรีกิเลสก็คือเป็นจิตที่มีความเกษมสารเพราะว่าได้เข้าถึงอิสรภาพทางใจเพราะว่ามีใจเป็นมิมีจิตเป็นเพื่อนนะอันนี้พูดแบบง่ายๆคือผู้ยางคือเป็นจิตที่เข้าถึงธรรมนั่นเองเมื่อจิตเข้าถึงธรรมก็อยู่ในราขาของธรรมธรรมที่ว่านีคือสัจธรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคนอยู่รอบตัวคนอยู่รอบข้างจะล้มหายตายจากไปนะจิตก็ยังไม่หวั่นไหวนะไม่เศร้าโศกยังคงเป็นจิตที่กระเสมสารนะเพราะว่าเป็นจิต ท, ที่ไม่มีความยึดถือมั่นนะกับสิ่งใดเพราะรู้เท่าทันธรรมชาติธรรมดาของชีวิต ช, ชีวิตธรรมจาเนี่ยจึงประเสริฐกว่านะชีวิตทางโลก พราะฉะนั้นแม้ว่ากา ร, การยานนิมิตเนี่ยจะเป็นทั้งหมดของชีวิตทางโลกที่ดีนะแต่ว่าก็อย่าพอใจเพียงเท่านั้นต้องพัฒนาชีวิตทางโลกให้มันเข้าถึงวิตทางธรรมคือพรหมจันทร์พรหมจันท์คื อ, อการดูมาชิตอันประเสริฐไม่ใช่หมายถึงการไม่มีครอบครัวแต่หมายถึงการมีชุดอันประเสริฐประเสริฐเพราะมีธรรมเพราะเข้าถึงธรรม